โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษประมาณปีพุทธศักราช2525หรือ2526ทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนาทิตย์ได้ติดต่อขอให้ข้าพเจ้าช่วยไปสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนาทิตย์ระดับพุทธศาสนา9มี2ปีคือ9ปีที่1และ9ปีที่2 พุทธศาสนา9คือรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเรียนเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันาทิตย์ของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยซึ่งตั้งมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าเคยสอนอยู่หนึ่งปีหรือสองปีสมัยที่ยังเป็นพระนักศึกษาอยู่แล้วก็ขาดหายไปมาถึงปีพุทธศักราช2525หรือ2526 ทางเลขานุการโรงเรียนพพุทธศาสนาวนาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดคือพระมหาอุทยัยอุทยโยปเปรียนธรรมเก้าแห่งวัดพระพิเรนได้เชิญข้าพเจ้าไปสอนในชั้นพุทธศาสนาเก้าให้เหตุผลอันน่าชื่นใจว่าปีนี้ชั้นพุทธศาสนาเก้ามีนักศึกษาและผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนกันมากอยากจะได้อาจารย์ที่ทรงความรู้จริงๆมาสอน พระมหาอุทัยอุทยรูปนี้ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะที่พระพิดกโกศลเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนข้าพเจ้าได้ไปสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนาทิตย์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช 2,549 อันที่จริงชั้นพุทธศาสนา9ตามหลักสูตรมีเรียนเพียง2ปี คือเก้าปีที่หนึ่งและเกปีที่สองแต่พอจบปีที่สองแล้วมีนักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งมีคุณสมโพศเลขนานเป็นต้นได้ขอร้องข้าพเจ้าว่าอาจารย์ช่วยสอนต่ออีกได้ไหมข้าพเจ้าตอบตกลงจึงได้แยกกลุ่มมาสอนต่างหากคราวนี้ข้าพเจ้าใช้พระตไตรปิฎกที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ก่อนแล้วเป็นหลักในการสอน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 ข้าพเจ้าสอนมาโดยไม่มีการปิดเทอมเลยเป็นเวลา20ปีเศษมาแล้วประมาณปีพุทธศักราช2545ข้าพเจ้าป่วยหนักจึงขอหยุดพักไปประมาณสองเดือนพอทุเลาแล้วก็เริ่มสอนต่อมาจนถึงบัดนี้ที่ว่าป่วยหนักนั้นคือความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นหนึ่งตีบเล็กน้อย บางวันถึงกับเอากอีนอนมานอนสอนในห้องเรียนถ้าความดันสูงมากๆเช่นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณสองปีมาแล้วได้ยาที่คุมความดันได้จึงค่อยสบายขึ้นบางวันความดันค่อยๆต่ำซ้ำไปถ้าต่ำมากจนถึงลุกขึ้นแล้วงงก็ละลายน้ำเกลือดื่มสักพักหนึ่งก็หาย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 คิดว่าประมาณปีพุทธศักราช 2,534 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาปรัชญาได้เชิญข้าพเจ้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์สุชาวิพลอยชุมซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอยู่เวลานั้นอาจารย์สุชาวิพลอยชุมเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหมามกุฎ รุ่นหลังขพเจ้าหลายปีตอนที่ขพเจ้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรมีสิทธิ์เก่ามหามกุฏเป็นอาจารย์ประจําอยู่หลายคนแล้วทีแรกสอนวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยที่ขพเจ้าได้เขียนตาราเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสอนจริยศาสตร์เดินทางไปมาสะดวกมีทางยกระดับ ใช้เวลาเดินทางเพียง1ิบห้าถึง20สิบนาทีก็ถึงแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งที่ผลสำรวจออกมาว่านิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มีสุขภาพจิตดีที่สุดในบรรดานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยข้าพเจ้าไปสอนที่นั่นอยู่ประมาณสิบปีในระยะแรกๆ ก, ก็เห็นด้วยกับผลสำรวจอันนั้นแต่พอระยะปลาย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 คืนสังคมไทยได้ น, นำอน้องหนังสือของพระพเจ้าไปอ่าน บ, าบา่อยๆในรายการธรรมะเวลาหนาฬกาถึงหนาฬกาสี่ห้านาทีคุณสยามมนอายุยังน้อยเพิ่งจบจากจุลามาหมดัดหมแต่เป็นคนเสียงดีชวนฟังเมื่ออ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆเข้าก็เป็นคนติดธรรมะรู้สึกปลื้มใจที่ได้อ่านคุณสุพรมณีเวทยาพันผู้เป็นหัวหน้ารายการ จึงพูดกับคุณสยามลนว่าเอาหนังสืออาจารย์มาอ่านบ่อยๆเชิญท่านออกรายการเช่เลยไม่ดีหรือคุณสยามลนจึงติดต่อขอให้ข้าพเจ้าช่วยออกรายการโดยพูดจากที่บ้านสนทนากับเขาซึ่งอยู่ที่สถานีข้าพเจ้าตกลงจึงได้เริ่มทำรายการวิทยุเป็นครั้งแรกประมาณพุทธศักราช 2,539 รายการนี้ดีและมีคนฟังมากข้าพเจ้าได้รับเชิญไปพูดที่วัดมเหยยงของท่านพระครูกรเกษมธรรมทัตจังหวัดพระนครศรีวิธยาท่านเชิญคุณสยามวนไปด้วยเพราะได้ฟังทางวิทยุตอนเช้าและเปิดกระจายเสียงให้อุบาสกอุบาสิกาฟังด้วยที่นั่นเป็นสำนักกรรมฐานทำรายการวิทยุคลื่นนี้อยู่นานเท่าใดจาไม่ได้ จนรายการเขาเลิกไปด้วยเหตุจําเป็นบางประการใกล้ๆกับที่ทํารายการนี้ก็มาทํารายการวิเคราะห์ธรรมทางสถานีวิทยุ AM 963กิโลเฮิรตซ์เวลา20นาฬิกาถึง20นาิกา30นาทีในานามของมหาวิทยาลัยมหามากุลราชวิทยาลัยโดยการจัดของท่านมหามงคลคันติทีโรวัดชนะสงคราม แบ่งกันพูดคนละวันข้าพเจ้าได้วันอังคารนอกจากนี้ก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพริโลกท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิโกวีเป็นต้นทำอยู่นานเหมือนกันจนรายการถูกยุบเลิกไปท่านมหามงคลจึงทำแต่ผู้เดียวโดยการหาทุนเองมาจนกระทั่งบัดนี้ใกล้ๆ ก, กันนี้คุณวันนาการจะนะพินโยวงสิทธิผู้หนึ่งของข้าพเจ้า ได้ฟังข้าพเจ้าบรรยายทางวิทยุบ่อยๆและไปฟังที่ข้าพเจ้าสอนที่วัดบวรนิเวศด้วยได้ติดต่อกับคุณเพนศีอินทรทัศน์ผู้ซึ่งทำรายการวิทยุอยู่หลายสถานีอยู่แล้วให้ช่วยหาสถานีและเวลาให้ข้าพเจ้าคุณเพนศีติดต่อทางสถานี AM 963กสกิโลเฮิรตซ์ได้รายการธรรมโอสส ซึ่งเป็นรายการของสถานีไม่ต้องจ่ายเงินออกอากาศเวลาหนาิกาถึงหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์คงจะพูดอยู่ประมาณหนึ่งปีรายการก็เปลี่ยนไปคุณวันนาอีกนั่นแหละได้ขอร้องคุณเพ็ญศรีให้หาคลื่อนอื่นให้ในเวลาที่เหมาะสมไปได้คลื่อนอเอ็เจสเจเวลา21นาฬิกาสนาทีถึง22นาฬิกา ชื่อรายการว่าธรรมและทัศนะชีวิตโดยคุณวันนาเป็นผู้อุปถัมภ์รายการทาอยู่นานเท่าไรจำไม่ได้ย้ายไปเคลื่อนเอเอ2 2หนึ่งสสองสองพ่อดูเหมือนราคาจะถูกกว่าตอนนั้นคุณบุษราเรืองแสงหรือคุณการเกรตแทนกิจการคุณเป็นผู้รับเหมารายการแล้วแจกจ่ายกันไปประมาณปี2541เ ดนตรีทองขาวพ่วงรอดพันผู้จัดรายการธรรมะร่วมสมัยอยู่ที่สถานีวิทยออุอสมท F.M. 1 0 0 5รเมกะเฮิร์ได้เชิญข้าพเจ้าให้เป็นวิทยากรในรายการธรรมะร่วมสมัยเวลาตีหนึ่งถึงตีสองวันพระฤหัสเวนพระฤหัสสลับกับท่านอาจารย์วันลบชวนะปัญโยต่อมาท่านอาจารย์วันลบของงด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 ทำนิตยสารย้อนไปเมื่อปี 2,529 หรือ20ปีมาแล้วข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักรสูตรของมูลนิธิมหามกุลราชวิทยาลัยโดยการนำเสนอของท่านเจ้าคุณพระเทพดิโลกระแบบพีตาญาโนในสมัยที่ยังเป็นพระราชธรรมนิเทศ หรือพระโสวพลคณาพรจำได้ไม่แม่นนิตยสารธรรมจักสูมีอายุยาวนานที่สุดฉบับหนึ่งคู่มากับยุทธโกดของกระทรวงกลาโหมธรรมจักสูเริ่มออกฉบับแรกเมื่อเดือนตุลาคม2439โดยสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพัะยาวชิรยานวรโรรสตอนที่กบเจ้ามารับตำแหน่งบรรณาธิการนั้น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 เป็นบรรณาธิการจนท่านสิ้นชีวิตลงในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการธรรมจักรสู่อยู่นั้นบรรณาธิการนิตยสารสุภพมิตรของบุลณนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรมหรือกศออ ม, มอว่างลงทางคณะกรรมการมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นต้นในสมัยที่ยังเป็นพระธรรมปัญญาจารย์ ได้มีหนังสือขอให้ข้าพเจ้าไปเป็นบรรณาธิการสุพมิตรข้าพเจ้าได้รับตําแหน่งบรรณาธิการนิตยสารสุพมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534หลังจากเป็นบรรณาธิการธรรมาจักสุมาแล้ว5ปีข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการนิตยสารทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันมา2ฉบับจนถึงพุทธศักราช2539 ข้าพเจ้าจึงออกจากตำแหน่งบรรณาธิการนิตยาสารธรรมจักสุตำแหน่งนี้จึงไปตกอยู่ที่ศาตราจารย์แสงจัน ง, งามซึ่งอยู่ถึงเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ชราภาพมากแล้วแต่จำเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลบางประการข้าพเจ้าจึงทำนิตยาสารฉบับเดียวต่อมาจนกระทั่งบัดนี้มีบางคราวที่นิตยาสารสุภพิตรเกิดมรสุมหนัก จะล้มไม่ล้มแหล่เหมือนเรือโดนคลื่นมอระสุมจะล้มแหลไม่ล้มแหล่แต่ก็ช่วยกันจนรอดมาได้ทางนี้น่าจะเป็นเพราะบา ร, รมีของสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมหาเถระซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารสุพมิตรเมื่อปีพุทธศักราช2498สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ได้ไปบุกเบิกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วยเจริญมั่นคงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นวัดด้วยชื่อวัดชูจิตธารามข้าพระเจ้าเดินทางไปสอนอยู่ที่นี่หลายปีมีรถจากวัดม ก, กุฏมารับที่บ้านเสร็จแล้วก็มาสม่งมีสิทธิ์ที่เคยเรียนที่วังน้อยมาได้ดีอยู่ที่กรุงเทพก็มาก สำเร็จปริญญาเอกก็มีพูดถึงปริญญาเอกข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยลาลัยมหมามกุกที่ได้อนุ ม, มัติปริญญ า, าศาสนศาสตร์ดุดดษฎีบัณิตกิตติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์ให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อวันที่30สพฤศภาคมพุทธศักราช2545ห้า